นี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัย่แห่งธาตุปะภะคือหมวดที่ว่าโดยธาตุทั้งสี่ประการนั่นเนื่องจากคนเราก็คือที่ประชุมแห่งธาตุทั้งสี่ประการและชีวิตของบุคคลก็เกี่ยวข้อง อยู่กับธาตุทั้งสี่ประการตลอดไปดังนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงเกี่ยวกับธาตุจึงมีอยู่เป็นอนเนกกระปริยยยซึ่งท่านใช้คำว่าองค์แห่งน้าองค์แห่งดินองค์แห่งลมองค์แห่งไฟเป็นต้นแล้วก็นำเอาคุณลักษณะเหล่านั้นมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลทั้งหลายคือให้ เรียนความจริงแห่งชีวิตจากธรรมชาติทั้งสี่กองเหล่านั้นในที่นี้จะได้กล่าวเฉพาะส่วนที่เป็นธาตุดินในเบื้องต้นพึง เ, เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นในทํากลางเจ้าละทิต่างๆซึ่งมีอยู่ในอยู่เป็นนันมากในสมัยนั้นความเชื่อถือที่มีการเผยแพร่มีการแสดงอยู่ในยุคในสมัยนั้น บางอย่างที่ยุติยุติกันลงกันสมกันกับหลักซึ่งพระองค์ได้ศัสรุก็ทรงยอมรับนับถือหลักเหล่านั้นในส่วนใดที่ยังมีความบุพร่องก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนใดที่ไม่ถูกต้องก็ทรงปฏิวัติความคิดความเห็นเหล่านั้นและนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะที่ทรงตัดรู้โดยตรง ความเชื่อถือในเรื่องที่เกี่ยวกับดินของคนในสมัยนั้นก็คือมีความเชื่อว่าดินเป็นสิ่งมีชีวิตมีเจ้าของแผ่นดินคือแม่พระธรณีซึ่งในวรรณคดีของพระพุทธศาสนาก็แสดงถึงความมีอยู่แห่งแม่พระธรณีเหล่านั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงยอมรับความมีอยู่ในฐานะเป็นชีวิตอย่างนั้น แต่ก็ส่งแสดงถึงความมีอยู่ในฐานะอย่างอื่นคือในฐานะแห่งความเป็นธาตุอย่างสิท ธ, ธาบกันแต่ในขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาจะดำรงสืบต่อกันมาได้นั้นจำเป็นจะต้องมีฐานคือศรัทธาความเชื่อการยอมรับน้ำถือของประชาชนการกระทำอะไรก <c oughs> ารกระทาอะไรก็ตามในลักษณะที่ส่วนกับความรู้สึกนึกคิดของประชาชน ตากว่าไม่เป็นเรื่องนอกรีธนอกรอยจนเกินไปแล้วก็ส่งใช้หลักที่เรียกว่าโลกานวัดคือคล้อยตามโลกเข้าไปเพื่อให้อยู่ร่วมกับชาวโลกเขาได้ในขณะเดียวกันก็ไม่ติดในความยึดความถือเหล่านั้นนั้นความรู้สึกในชั้นของวินันคือข้อปฏิบัติสาหรับภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นชั้นศีลแต่ก็มีความประนีตสูงขึ้น จึงมีพระพุทธบัญญัติห้ามไม่ให้ภิกษุขุดดินเพราะมีความเชื่อถือของคนในยุคนั้นว่าดินเป็นสิ่งมีชีวิตถตาหากว่าภิกษุในพระพุทธศาสนาเกิดไปขุดดินข้าวก็ชื่อว่าทาเป็นการทำลายปราณคือทำลายสิ่งมีชีวิตเป็นการสร้างความรู้สึกขัดแย้งให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลดดนั้นดังนั้นจึงทรงบัญญัติไว้แม่ใ้ภิกษุขุดดิน เป็นลักษณะของการคล้อยตามโลกเป็นเหตุผลทางกิตวิทยาหมวดชนเพื่อขอให้เกิดผลคือความยอมรับนับถือจากประชาชนในยุคในสมัยนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการตัดภารกิจกลางบนของภิกษุในเกี่ยวกับการอยู่ในสถานที่ต่งตางๆคือไม่ต้องไปทำงานบางอย่างบางลักษณะซึ่งไเหมาะสมแก่สมณะภาวะ แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงดินไว้สองฐานะฐานะหนึ่งเรียกว่าชาตะปตะพีคือดินแท้เป็นดินเดิมก็ขุดไม่ได้แต่ถ้าดินที่ชาวบ้านเขาขุดขึ้นมาแล้วทิ้งเอาไว้ไม่ถึง6เดือนพระจะไปขุดก็ได้เรียกว่าอาชาตะปตะพีคือดินที่ไม่แท้ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ยอมรับว่าดินมีชีวิตแต่เพื่อ ค้อยตามโลกอนุวัตตามความเชื่อถือของชาวโลกก็ทรงห้ามไว้โดยนัยตะดังติการแล้วประการที่สองทรงสแสดงดินในฐานะที่เป็นผู้ทารงเป็นผู้หลอดเลี้ยงเป็นผู้รักษาบุคคลทั้งหลายเอาไว้ลักษณะการทารงอยู่ของทารงคนและสัตว์ตลอดถึงสิ่งของแห่งแผ่นดินนั้นเป็นภาพที่ประจักษ์กันอยู่ทั่วไป แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็นดินที่มีอยู่ในโลกนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกันลักษณะลักษณะหนึ่งมีการเกื้อกูลเป็นอย่างสูงแก่บุคคลผู้อาศัยอยู่ในแผ่นดินเหล่านั้นลักษณะหนึ่งก็พร้อมที่จะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายแก่บุคคลทั้งหลายซึ่งข้อนี้ก็เปรียบเหมือนธรรมะ ซึ่งเมื่อจำแนกเป็นประเภทใหญ่ก็คือเป็นกุศลกับเป็นอกุศลและเป็นอัพญากริตคือเป็นส่วนกลางธรรมะจึงแปลว่าสภาพที่ทรงไว้คือหมายความว่าองค์ของธรรมะเป็นอย่างไรสภาวะของธรรมะเหล่านั้นเป็นอย่างไรก็คงเป็นอย่างนั้นส่วนใดที่เป็นกุศลก็คงเป็นกุศลอยู่อย่างนั้นเมื่อใครประพฤติปฏิบัติตามกุศล กุศลก็จะหล่อเลี้ยงรักษาบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ให้มีความสุขความเจริญปราศจากเป็นปราศจากภัยและปราศจากอันตรายต่างๆ ต, ตลอดถึงเข้าถึงความสุขความสงบอย่างสูงในพระพุทธศาสนาดังนั้นธรรมะไม่ว่าจะเป็นในชั้นใดก็ตามก็ทรงความเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ไม่ว่าในส่วนที่เป็นโลกิยะหรือส่วนที่เป็นโลกุตระก็ตามประการที่สองนั้นคือส่วนที่เป็นอกุศลก็ทรงความเป็นอกุศล์ด้วยอย่างนั้นเช่นพวกดินที่เป็นทรายดูดดินที่เป็นหินเป็นปอดินที่เป็นดานดินที่พร้อมจะทําอันตรายให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เข้าไปในแผ่นดินเหล่านั้นก็มีลักษณะเหมือนกับอกุศนลธรรมทั้งหลาย ซึงทรงความเป็นอกุศลของตัวอยู่ตลอดไปไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามและไม่ว่าในส่วนใดของโลกก็ตามอากุศลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปประพฤติปฏิบัติก็หน่วยผลให้เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่บุคคลเหล่านั้นปริมาณของความทุกข์ความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นกับสัดส่วนแห่งการประพฤติปฏิบัติซึ่งก็ไม่เหมือนกันดังนั้นจะพบว่าผลที่เกิดขึ้น า ก, การประพฤติปฏิบัติอกุศลที่รุนแรงก็มีผลรุนแรงมากเช่นพวกมิจฉาทิจิก็ดีพวกอนันตรีกรรมก็ดีแต่บางครั้งบางคราวก็เป็นผลผลเพียงเบาบางๆเพราะมีเจตนาอ่อนมีวัตถุที่ไม่มีคุณมากเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามอากุศลก็คงเป็นอกุศลอยู่นั่นเองเหมือนดินที่ครุขระ ดินที่เป็นทรายดูดดินที่เป็นแหล่งอันตรายต่างๆหรือประกอบด้วยคนตมเป็นต้นก็ทรงความเป็นอย่างนั้นของแก่เองแล้วเมื่อคนเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเหยียบในที่เหล่านั้นก็จะแปดเปื้อนก็จะศบประสบกับความเจ็บความปวดตามลักษณะของดินที่ตัวเข้าไปเหยียบในส่วนที่เป็นกลางๆคือส่วนที่เป็นอัพยากฤตก็คือทรงความเป็นกลางๆเอาไว้เช่นเดียวกับธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติ คือส่วนที่เป็นกลางๆงก็มีผลเป็นกลางๆงไม่ให้ในด้านที่เป็นบาปเป็นบุญแต่กำหนยผลเป็นความสุขและเป็นความทุกข์ได้เช่นเดียวกันนี่ก็คือบทเรียนจากดินในฐานะที่เป็นผู้ทรงเอาไว้คือเป็นผู้เลี้ยงรักษาเอาไว้ถ้ามองในแง่ของกรรมก็คือกรรมะปฏิสระโนคนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนั่นเองอุสรและธรรม ก็เป็นที่พึ่งอาศัยของผู้ปฏิบัติกุศลธรรมอกุศลธรรมก็เป็นที่พึ่งอาศัยของผู้ประพฤติปฏิบัติไปตามอากุศลธรรมเหล่านั้นประการต่อไปนั้นบางครั้งบางคราวก็ทรงนำเอาสิ่งที่ปรากฏในแผ่นดินหรือลักษณะของดินในส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาสอนเช่วนว่าทรงสแสดงเรื่องรอยขีดซึ่งปรากฏในที่ต่างๆ300 ได่แก่รอยขีดในดินรอยขีดในน้ํารอยขีดในดินและรอยขีดในหิน <c oughs> มาเป็นอุปมาในการสอนธรรมซึ่งเมื่อเป็นอุปมาก็พร้อมที่จะใช้ไปในกรณีอะไรก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเทศแต่ละครั้งแต่ละคราวของพระองค์ยกตัวอย่างเช่นการสดับสัตฟังธรรมะในการศึกษาวิชาความรู้ต่งตางๆคนผู้ฟังก็มีลักษณะเหมือนรอยขีดในน้ํา รอยขีดในดินรอยขีดในหินคือบางคนฟังเรื่องราวต่างๆในขณะที่ฟังอยู่ก็คล้ายๆจะเข้าใจมีความทราบซึ่งมีความกินใจในเรื่องราวเหล่านั้นแต่พอออกจากไปจากสถานที่นั้นแล้วก็เลือนหายไปไม่สามารถจำทรงอะไรเอาไว้ได้ซึ่งมีลักษณะเหมือนรอยที่บุคคลขีดลงไปในน้ำพอขีดก็เป็นรอยและในที่สุดก็หายไปบุคคลประเภทที่สองนั้น เมื่อฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็เข้าใจในเรื่องเหล่านั้นในขณะที่ฟังและทรงจำอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งแต่ในที่สุดก็จะลืมเลือนหายไปเหมือนกับรอยขีดในดินที่บุคคลขีดไว้ก็จะปรากฏเป็นรอยอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่เมื่อผ่านการเวลาไปรอยเหล่านั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปโดยลาดับอีกประการหนึ่งก็คือรอยขีดในหิน ซึ่งในกรณีของการฟังนั้นจะฟังมากหรือฟังน้อยก็ตามก็สามารถทรงจําเข้าใจแทงตลอดได้ในเรื่องเหล่านั้นแม้จะล่วงการผ่านเวลามานานแล้วก็ตามบางอย่างก็ทรงใช้ในลักษณะของอารมณ์คืออาศัยรอยขีดในน้ํารอยขีดในดินรอยขีดในหินมาเป็นอุทาขอในทางอารมณ์จะอาจจะเกิดความโกรธเพราะกระทบกับอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนามาจากภายนอกหรือกระทบอารมณ์เหล่าอื่น ก็จะปรากฏเป็นรอยขึ้นภายในใจเช่นเดียวกันเช่นเรื่องของความโกรธคนที่เกิดความโกรธเมื่อกระทบอารมณ์มาจากภายนอกบางครงบางคนก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าโกรธง่ายหายเร็วเหมือนกับรอยขีดซึ่งปรากฏอยู่ในน้าคนบางคนกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีก็เก็บความโกรธเหล่านั้นเอาไว้ระยะหนึ่งเป็นลักษณะของอุปกิเลสที่เรียกว่าอุปนาหะคือผูกความโกรธเอาไว้ แต่เมื่อล่วงการผ่านวันเวลาไปพอสมควรความโกรธนั้นก็ค่อยเรือนหายออกไปจากจิตใจของเขาอุกคลประเภทที่สามนั้นเหมือนกับรอยขีดในหินซึ่งเมื่อโกรธแล้วก็จะผูกความโกรธมีความอาฆาตมีความขยาบาทมีความผูกเวร ต้องการที่จะโต้ตอบต้องการที่จะแค่แก้แค้น แ, แม้ผ่านการเวลาไปเป็นเดือนๆือนหรือหลายปีก็ตามก็ไม่สามารถที่จะลืมเหลือนเรื่องเดียดนั้นได้นี่ก็เป็นอุปมาที่สรงนําเอาความรู้จากแผ่นดินมาสั่งสอนบางครั้งก็อาจจะเอาพวกรูต่างๆที่ปรากฏอยู่ในดินเช่นว่ารูหนูเป็นต้นก็จะเอามาเป็นอุปกรณ์ในการสอนเช่นคราวหนึ่งเสด็จไปพบรูหนูรูหนึ่ง ก็รับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูกรอนภิกษุทั้งหลายหนูนั้นมีอยู่4ชนิดคือชนิดหนึ่งไม่ขุดรูด้วยไม่อยู่รูด้วยชนิดที่สองนั้นขุดรูแต่ไม่อยู่ชนิดที่สามไม่ขุดรูจะอยู่ชนิดที่4ทั้งขุดรูด้วยทั้งอยู่ในรูด้วยซึ่งในการอุปมาก็ขึ้นอยู่กับกาลโอกาสและบุคคลที่ฟังเช่นเดียวกันกรนี้พึงดูตัวอย่างในกรณีของการศึกษาและในกรณีของการประพฤติปฏิบัติ แต่คนบางคนนั้นไม่มีการศึกษาไม่มีการสดับดับฟังพระธรร ม, รรมะในพระพุทธศาสนาและไม่ได้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงเอาไว้แล้วก็มีลักษณะเหมือนหนูที่ขุดรูเหมือนเหมือนหนูที่ไม่ขุดรู ด, ด้วยไม่อยู่รู ด, ด้วยจึงแน่นอนได้เกินว่าอันตรายจะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อาการที่สองนั้น บุคคลบางคนอาจจะศึกษาอาจจะสดับสับฟังธรรมะจะมีความรอบรู้ในธรรมะเป็นนั้นมากแต่ก็ไม่สามารถจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้ก็ไม่สัมผัสไม่ไม่อาจสัมผัสผลแห่งธรรมะเหมือนนายโคบานที่เลี้ยงโคเพื่อเจ้าของโคแต่ตัวเองก็ไม่ได้ดื่มน้ำนมโคฉะนั้นบุคคลประเภทนี้ก็เปรียบเหมือนคนประเภทที่หนูประเภทที่ขุดรูแต่ไม่อยู่รูบุคคลประเภทที่สามนั้น ทรงอุปมาว่าไม่ขุดรูแต่อยู่รูคือการศึกษาการเล่าเรียนการทรงจํานั้นก็มีอยู่น้อยแต่ว่าอาศัยนยะแห่งธรรมะเพียงข้อใดข้อหนึ่งเช่นคนบางคนอาศัยสัจจะอย่างเดียวบางคนอาศัยเมตตาอย่างเดียวบางคนอาศัยความขยันอย่างเดียวบางคนอาศัยความกตัญญูอย่างเดียวเป็นต้น ก็สามารถที่จะเป็นหลักคุ้มครองตนให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่เหมาะที่ควรได้ส่วนบุคคลประเภทที่สี่นั้นก็คือคนประเภทที่สมบูรณ์ทั้งในด้านปริยัติคือการศึกษาและเรียนมีความรอบรู้ในหลักของศาสนาและหลักวิชาการต่างๆแล้วก็มีความสามารถในการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะเหล่านั้นซึ่งเป็นผลสมบูรณ์ที่พระพุทธศาสนาต้องการ บางครั้งบางคราวก็ส่งสอนในรูปของการมีความรู้สึกตอบต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นมาจากภายนอกก้อนี้จะเห็นได้ว่าอารมณ์ที่มากระทบใจบุคคลซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งห้าหรือแม้แต่เป็นเหนียวนึกเอาด้วยอำนาจของวิต ก, ก็ดีนั้นจะปรากฏออกมาเป็นสองลักษณะ คืออารมณ์ที่น่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนาเมื่อมีอารมณ์เหล่านี้ขึ้นจิตของบุคคลก็จะมีความยินดีในส่วนที่น่าปรารถนาและยินร้ายในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาในกรณีของความยินดีเกิดขึ้นเพราะกระดประสบอารมณ์เหล่านั้นกิเลสสายราคะคือความกำหนัดโลภความโลภ ความอยากได้ต่างๆก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของบุคคลมีอาการคืบคลานไปของอารมณ์ตามลักษณะของกิเลสสายนี้ที่ทรงใช้คำว่าก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันเรื่อยๆไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้ากว่าประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาความรู้สึกก็จะกลายเป็นยินไรเมื่อเกิดยินไรกิเลสสายโทสะมีความไม่ยินดีความไม่พอใจความหงุดหงิด ความโกรธความประทุส้ายความอาฆาตพยาบาทเป็นต้นก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นการเพิ่มปริมาณกิเลสส่วนนี้ให้บังเกิดขึ้นอารมณ์ของคนจึงเกิดขึ้นอยู่ในลักษณะนี้เป็นประจำคือยินดีกับยินร้ายไม่ยินร้ายก็ยินดีไม่ยินดีก็ยินร้ายส่วนอารมณ์ประเภทหนึ่งนั้นเป็นอัพญากฤคือเป็นกลางๆแท้ที่จริงก็ไม่มีอิทธิพลอะไรต่อจิตใจของบุคคลมากนัก น อ, อกจากจะเพิ่มกิเลสสายโมหะอย่างเบ า, เบาขึ้นมาเท่านั้นเองและจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสองฝ่ายที่จริงการเกิดเป็นสองฝ่ายก็จากการที่กําหนดคือใจของบุคคลไปกําหนดแล้วก็มีความรู้สึกยินดียินร้ายอย่างกล่าวเวทนาที่วางเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดสูงจึงมีอยู่สองทางคือสุขและทุกข์สุขเวทนากับทุกขเวทนาส่วนอนทุกขกรรมสุขเวทนานั้น ก็ไม่ค่อยมีอิทธิพลอะไรเท่าไรเปธนาาทั้งสองประการนี้ก็เป็นผลที่เกิดสืบเนื่องกันมาจากการกำหนดหมายอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสซึ่งตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจของบุคคลก็คือใจใจที่ไปกำหนดอารมณ์เหล่านั้นในลักษณะดังกล่าวคือหน้าปรารถนากับไม่หน่าปรารถนาพระุตีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนโดยรูปอุปมา ที่ให้บุคคลทำใจของตนให้เสมอด้วยแผ่นดินแผ่นดินนั้นมีลักษณะอย่างไรบุคคลอาจจะทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างหรือบางทีก็ขุดดินทำลายแผ่นดินไปด้วยประการต่างๆแต่ดินไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีใจไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดจึงไม่มีความยินดีและไม่มีความยินร้ายในอารมณ์เ่านั้น เมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายแนอารมณ์เหล่านั้นสุขเวทนาและทุกเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นทั้งสวนสุขสุขเวทนาและสวนทุกเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นแล้วความเป็นปกติก็คงเป็นอยู่ภายในดินตามสภาพของตัวเองปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่สรงสอนให้บุคคลพินิจพิจารณาว่าแม้ตัวของบุคคลทั้งหลายก็สามารถจะทำได้ นั่นคืออะไรเพราะว่ากันตามความเป็นจริงการประสบกับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสนั้นมีองค์ประกอบเป็นนั้นมากได้เกินคืออย่างน้อยถึงสอย่างด้วยกันจะในกรณีของตาเห็นรูปเราก็ต้องมีตาแล้วก็มีแสงสว่างมีรูปซึ่งไม่ไกลเกินไปและไม่ใกล้เกินไปองค์ประกอบทั้งสมประการนี้ซึ่งว่ากันตามปกติแล้วถ้าไม่เอาใจเข้าไปบวก คือไม่มีการกําหนดหมายว่าน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาอารมณ์นั้นก็เป็นอัพยากิตเฉยๆคือเป็นกลางๆเฉยๆจะถามว่าตามปกติแล้วคนปฏิบัติในลักษณะนี้ได้หรือไม่ก็ตอบว่าได้และปฏิบัติอยู่เป็นอันมากเช่นด้วยคนนี้พึงสังเกตว่าเราเดินทางจากจุดใดจุดหนึ่งไปถึงจุดใดจุดหนึ่งนั้น เราสวนกับคนสวนกับยานภานะสวนกับสิ่งต่างๆเป็นอันมากได้เกินแท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นรูปแล้วก็อยู่ในวิสัยของจักษุเราก็เห็นรูปเหล่า น, นั้นแต่ทําไมรูปเป็นอันมากจึงไม่สร้างความรู้สึกเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราท่านี้ก็เพราะว่าขาดตัวการสําคัญคือใจ ใจที่ไปมณสิการถึงอารมณ์เหล่านั้นคือใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้นใส่ใจรูปเหล่านั้นใส่ใจเสียงเหล่านั้นใส่ใจกลิ่นเหล่านั้นเมื่อทําให้ใส่ใจในการกําหนดหมายว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีการกําหนดหมายอย่างนั้นความพอใจหรือไม่พอใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นแล้วอไอความรู้สึกที่เรียกว่ายินดีหรือ ย, ยินรายก็ไม่เกิดขึ้น มันเป็นการตัดปัญหามาตั้งแต่ต้นคำสอนในลักษณะนี้จึงสามารถปฏิบัติได้ในชั้นต่างๆในชั้นแรกก็คือเรื่องของอินเสียสังวรคือการสัมรวมระวังอินทรียเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นไม่ให้ใจไปใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นมากจนเกินไปถึงแม้จะเกิดไปใส่ใจก็หยุดแค่การกำหนดหมายว่าน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนา ไม่นำเรื่องเหล่านั้นมาปรุงคิดนำมาคิดปรุงให้เกิดความวาวุ่นขึ้นภายในจิตใจของตนนี่ก็เป็นการกระทาได้ในชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นการหักข้ามใจเป็นการข่มใจของตัวเองด้วยหลักธรรมะที่เรียกว่าธรรมะคือการหักข้ามใจตนเองไว้แม้รู้อำนาจของอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจในกรณีของความรู้สึกนึกคิดที่เป็นพวกอกุศลวิตก ซึ่งพร้อมที่จะเพิ่มเชื้อของอกูสนมีประการต่างๆขึ้นภายในใจของตนอีกประการหนึ่งก็คือใช้ธรรมะประเภทที่คือที่เรียกว่าขันติคือความอดทนจึงจะเห็นได้ว่าอารมณ์เหล่านั้นที่สามารถทำอันตรายต่อจิตใจของบุคคลได้ก็เพราะความอ่อนไหวภายในจิตใจของบุคคลนั่นเองคำด่าในลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าจิตใจเรามีความเข้มแข็ง บางวันเราก็ทนได้บางวันก็ทนไม่ได้ถ้าจะถามว่าทำไมจึงทนได้ทำไมจึงทนไม่ได้ทั้งๆที่คำด่าอย่างเดียวกันคนด่าอย่างเดียวกันข้อ น, นี้ก็คือสภาวะของจิตที่มีอยู่เป็นอยู่ในขณะนั้นๆบางวันบางเวลาสภาพของจิตมีปกติดีมีความผ่องใสมีความไม่ขุดมัวแม้จะมีกิเลสแต่กิเลสก็ไม่ฟูเกิดขึ้นรุ่มรุมจนเกินไป ก็ทนตัวเรื่องราวต่างๆได้แต่บางวันถ้าเริ่มหงุดหงิดมาตั้งแต่ตอนตื่นนอนมาแล้ว <ๆ S 1> ก็เริ่มหงุดหงิดมาเรื่อยๆมีนั่นกระทบนิดกระทบหน่อยก็เพิ่มเชื้อของกิเลสขึ้นไว้ภายในใจมากพอกระทบอะไรนิดๆหน่อยๆสิ่งเหล่านี้ก็ได้เชื้อบวกก็แสดงอาการโต้อตอบออกไปในลักษณะต่างๆได้นี่ก็คือสภาพจิตของบุคคล น, นั่นเองที่เป็นตัวแปรอย่างสําคัญ ต่ออารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใจของบุคคลมีความสำรวมระวังหรือรู้จักข่มใจหรือมีความอดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบตราบใดที่องค์ธรรมะคือคันติความอดทนซึ่งทรงจำแนกแสดงไว้โดยอเนกกระปรยยต่าง เช่นทรงแสดงแก่พระอานนทเถระเมื่อคราวเสด็จที่กรุงโกสัมพีถูกนางมาคันธยาจ้างคนเป็นนั้นมากเขติดตามด่าพระผู้มีพระภาคไปตามถนนต่างๆเป็นเวลาถึง7วันพระานนท์เองนั้นสภาพจิตไม่แข็งพอเหมือนกับพระผู้มีพระภาคยากเพราะอะไรเพราะท่านเป็นเพียงพระโสดาบันท่านไม่ถึงกับละโทสะได้ความรู้สึกระดับปฏิฆะของท่านยังมีอยู่คือความไม่พอใจยังมีอยู่ และกราบทูลพระผู้มีพระภาคจะให้ย้ายไปที่เมืองอื่นซึ่งสอบรับสั่งถามว่าจะไปที่เมืองไหนพระนนท์ก็บอกชื่อเมืองไปโดยลําดับและรับสั่งถามว่าถ้าเ้าด่าในเมืองนั้นจะทําอย่างไรท่านก็บอกก็ไปเมืองอื่นอีกแล้วจะถามถ้าเขาด่าอีกจะทําอย่างไรท่านก็บอกว่าไปไปเมืองอื่นอีกก็พูดกันไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดรับสั่งว่าไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหา วิธีแก้ปัญหานั้นบุคคลจะต้องอดทนต่อถ้อยคําร่วงเกินของคนที่ทุศีนคือธรรมดาว่าคนทุศีลคนเลวนั้นเขาด่าได้ก็ตําหนิดได้ก็ค่้อแคะได้ตลอดไปทําอะไรเขาก็ดา่าไม่ทําอะไรก็าก็ดา่าถ้าทาดีก็ดา่าทําไม่ดีก็ดา่าเพราะคนจะหาเรื่องดา่าทุอย่างเขาก็ดา่าเขาได้ทั้งนั้นดังนั้นเรื่องความอดทนต่อถ้อยคําในลักษณะนี้จึงควรมีเหมือน ช้างศึกที่เข้าสู่สงครามจะต้องอดทนต่อลูกศรซึ่งยิงมาจากทิศทั้งหลายจา ก, ล า, กลาบไปหอกดาบโล่เขนต่างๆเป็นต้นที่ข้าสึกพุ่งเข้ามาเพื่อยืนหยัดทำสงครามต่อสู้กันให้ได้นี่ก็เป็นการสอนในลักษณะที่อาศัยอุปมามาเปรียบเทียบเอาแผ่นดินมาเป็นครูว่าแผ่นดินนั่นแกไม่ยินดีไม่ยินไรอะไร ตัวการที่ก่อให้เกิดความไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็คือแกไม่มีใจแต่ว่าคนมีใจวิธีทำให้มีใจก็คือไม่ใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจถึงใจมีก็เหมือนกับไม่มีอารมณ์ภายนอกที่มีอยู่ก็เป็นเพียงศักดิ์แต่ว่าอารมณ์เท่านั้นเพราะการที่อารมณ์เหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปมีความรู้สึกมีทิพลครอบนาจิตใจของบุคคลได้นั้นเพราะใจไปกหนดเท่านั้นเอง และการกำหนดนั้นก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในขณะนั้นๆบางครั้งรูปเดียวกันนั่นเองแต่ก็กำหนดไปในลักษณะต่างๆบางครั้งก็กำหนดให้ดีได้บางครั้งก็กำหนดไม่ให้ดีก็ได้ความเปลี่ยนแปลงของใจจึงถือว่าเป็นตัวแปรที่มีบทบาทสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอย่างสำคัญแน่นอนแผ่นดิน น, นั้นเขาไม่มีใจเขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายโดยสภาพ แต่ทรงสอนใหเห็นว่าแม้คนเราก็สามารถไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้คือทำใจให้เสมอด้วยแผ่นดินได้แก่ไม่หวั่นไหวซึ่งบางครั้งบางคราวก็เริ่มที่ไม่ใส่ใจดังกล่าบมาและมีบางเรื่องบางปล่าวที่มีค่าวว่าจะเป็นการผูกอาคตาิมีค่าวว่าจะเป็นการจองเวรมีครั้ง่าวว่าจะพยาบาทบุคคลผู้นั้นหรือผูกโกรธเอาไว้ก็ใช้ธรรมะอีกข้อหนึ่งคือการให้อภัย ในการระวงเกินในความละเมิดในความก้าวร้าวในการกระทำรุนแรงของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นเมื่อทรงนำเอาแผ่นดินมาเป็นครูก็เป็นการเชื่อเห็นว่าครูนั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งบุคคลผู้มีสติมีสัมพัญญะอยู่ในอำนาจแห่งเหตุก็พร้อมที่จะเรียนความจริงจากครู เช่นเดียวก็สงสอนให้เรียนความจริงจากลมหายใจเข้าออกเรียนความจริงจากอาการมีผมขนในผนังเป็นต้นดังกล่าวแล้วครูเหล่านั้นจึงมีอยู่และก็ติดตัวเราอยู่ตลอดทุกคนทุกแห่งพร้อมที่จะใช้สติระลึกพร้อมที่จะใช้ปัญญาวิเคราะห์พินิชฐพิจารณาหาประโยชน์จากครูซึ่งอยู่กับเราอยู่ได้ทุกขณะทุกเวลาและเมื่อ ความสงบความรู้เกิดขึ้นจากการศึกษาในสำนักของครูคือแผ่นดินผลคือความรู้ยิ่งความเห็นจริงในธรรมะก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่กำลังความสามารถแห่งแต่ละคนซึ่งแสวงหาความสงบและความรู้จากสิ่งเหล่านั้นได้ต่อจต่นี้ไปเราก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป